พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17พฤษภาคม2554มีเมีชื่อเรื่องว่าวันประสูติ์ขององค์พระาศาสดาพวกคณะสัา ย, ยาิโยมลูกหลานที่มานั่งอยู่ศาลา หลวงพ่อแห่งนี้หลวงพ่อจัดเรียงลำดับให้ฟังวันประสูตินั่นคืออะไรวันประสูติคืคือวันพระพุทธเจ้าเกิดคือพระพุทธเจ้าเกิดวันนี้ที่เมืองกรุงกบิลพัฒน์พระพุทธเจ้ามีพ่อคือพระบิดาคือชื่อพระเจ้าสุทโธธนะมารดาของท่านชื่อนางสิริมหามายาเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดมาได้เจ็ดวันประสูติได้เจวันพระองค์ โยมมารดาของท่านก็สวรรคตคือตายจากนั้นพระเจ้าจุดโทธนะก็ได้เลี้ยงลูกแล้วก็ได้หาแต่มีอัคคเมเหสีใหม่อคคมเหสีก็คือน้องของนางสิริมห า, มายานนะ่ะชื่อนางโคตมีเป็นผู้ดูแลพระเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเพราะว่ามารดาสวรรคตแล้วก็ได้น้อง คืออาคือนานามาเป็นมาเป็นแม่แทนจากนั้นก็ท่านก็เลี้ยงพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความทะนุถนอมด้วยความรักยิ่งเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสรลุเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดใหม่ได้เจ็ดวันพระพเจ้าจุดโทธนะทา่านก็คือตามปกติได้ลูกคนแรก พระเจ้าจุโถพระเจ้าจุโธธนาะได้สิทธฐานขะึ้นมาแรกโนแรกท่านก็ทนุถนอมด้วยความรักวันลูกของเรานะี่จะเป็นคนดียังไง เ, เป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงเนะี่ยใครๆก็อยากจะรู้ใช่ไหมอันนี้กคเขากอในเมืองกรุงกบิลพัฒนะ์มีพราหมร์ร้อยแปดคนร้อยแปดคนใครว่าเป็นโหราศาสตร์ เคยชำนิชำนาญเป็นผู้ดูดวงดูดาวดูชะตาราศีดูอนาคตไปภายภาคหนา้าจะเป็นยังไงแต่นี้พระเจ้าจุดโทตนากเกลี้ยงพราหมณ์แปดร้อยแปดคนในพระราชวังจากนั้นก็เข้ามาให้มาดูปุริสาลักษณะของสิทธัตถะที่นอนแบะเบาอยพอเข้ามาแล้วก็ มีม่านกั้นมีม่านกั้นแล้วก็มีม่านกั้นอีกแล้วก็มีพรามอยู่ข้างนอกอพอเดินเข้ามามาแล้วก็เข้ามาถึงให้มาทีละคนเลยเข้ามากันดูปุริสารักษณะดูหัวแหงเหมือนกันเถอะดูหัวแหงของจิตถถพอดูเสร็จแล้วพามก็ยกมือสองนิ้วยังไงยกสองนิ้วเหมือนกับยกริฟโฟวิตันอลยแล้วก็เดินออกไป พอที่สองมาอีกสองนิ้วอีกพอที่สามสองถึงร้อยเจ็ดคนยกสองนิ้วทั้งหมดแต่มีพราหม์โกนทัญญพ า, ามที่เป็นพรารม์หนุ่มที่สุดร้อนวิ ช, ชาเหมนัเถอะได้เรียนไตเพศมาแบบแบบเชื่อมั่นในตนเองเลยเหมือนกันอะดูดูเสร็จแล้วยกนิ้วขึ้นมานิ้วเดียวจากนั้นออกไปพอออกไปเสร็จแล้วนี่เขา็มี มีขึ้นมากับพราหมณ์ก็นั่งล้อมรอบพระเจ้าจุโธก็อยากจะฟังว่าที่ท่านยกสองนิ้วขึ้นมานะท่านยกเรื่องเพราะอะไรพราหมณ์เขาก็บอกว่าสิทธัศาเนี่ยนะดูลักษณะอย่างนีุ้ริสาลักษณะอย่างนี้โงเ่เฮงอย่างนี้ถ้าหากว่าครองครวาตอยู่เป็นครวาตจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิใหญ่ปกครองแผ่นดินโดยที่ไม่ได้ใช้สัตราอาวุธ ไปที่ไหนเขาจะยกเมืองให้เลยเพราะว่าท่านเป็นธรรม เ, เก่งอานาจวาสนาท่านพระเจ้าสิท ธ, ธาธิษฐานแต่ถ้าหาว่าออกไปบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าและเป็นต้นศาสนาต้นศาสนาหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะนั้นเรามองตามตำร า, าตำราพราหมณ์ที่มาแต่ดึกตําบรรพโบราณกาลมาแล้วเนี่ยถ้าลักษณะอย่างนี้ ทำลายไว้เป็นสองคนที่สองมาก็พูดอย่างเกา่าคนที่สามมากักพูดเพราะตำราดเดียวกันใช่พอถึงร้อยแปดเนี่ยร้อยคนที่ร้อยแปดโกนทันยะพมามพอมายกนิ้วเดี่ยวเออเขาก็เลยถามว่าทําไมจึงยกนิ้วเดียวเพราะว่าดูแล้วคนคนนี้ดูฝ่าเท้าดูอะไรไม่ใช่ผู้จิมาคุกครีอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะ ตำราพราหมณ์เขาว่าต้องเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นไอ้โกนตัญญ่าพรามณจากนั้นไงพระเจ้าจุโทธนะจึงเห็นว่าพราหมณ์เขามาทํานายทายทักพระเจ้าจุโทธนนะอยากจะให้สิทธัถะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิไม่อยากจะให้ออกบวชเพราะเหตุลไยเพราะว่าออกบวชม่รู้จะเป็นยังไงห่า ง, างเกินจากตนเองถ้าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเข ร, รู้รู้กันอยู่ เมื่อเป็นใหญ่ในแผ่นดินจากนั้นกับธนุถนอมให้เข้าจะไปที่ไหนกันเนี่ยมีสแลนกั้นทั้งสองข้างมีต้นกุ้ยต้นอ้อยมีแต่นางสาวสวยๆคนสวยๆแต่งตัว ง, งามๆให้เห็นตามลายทางไปที่ไหนๆก็แปลว่าตกแต่งอย่างนั้นทั้งหมดคือไม่เห็นสิ่งที่ว่าไม่สวยไม่งามไม่ไม่ควรจะมีเพราะพระเจ้าจุโทธนะัท่านทนุถนอมลูกชายของท่านคือไม่อยากแค่เห็น ใครข่าว่าให้ติดในโลกไม่อยากจะให้เห็นสิ่งที่มันไม่ดีนี่แหละจนอายุถึงยี่สิบเก้าปีท่านเลยแต่งงานกับนางพิมพายโสทลาจากนั้นก็มีขอดบุตรในวันนั้นวันเดือนวันเดือนหกแผ่นวันเนี่ยนะพอขอดบุตรเสร็จแล้วจังก็นหนีออกไปบวชนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านประสูติขึ้นมาแล้วท่านเป็นหนุ่มอดูด้วยความ ปราศาสตร์สามหลังฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนอยู่ด้วยความสุขแล้วก็มีขนมนาลีมีมากแล้วก็มีทหารตำรวจรักษาเวียงวังอย่างเข้มแข็งที่ว่าทิ้งจะเป็นเมืองและ ก, ก่อจริงเมืองกบิลพัฒ์แต่ว่าเป็นเมืองที่เป็นที่ยอมรับของคนในยุคสมัยนั้นพวกแม่นธนูพว ก, ท, พวกทหารในแกร่งมากที่กรุงกบิพั์ จากนั้นมาเนี่ยพออายุยี่สิบเก้าปีบารมีของพระ อ, องค์ก็แก่กล้าท่นี้ยนี่แหละป่านนี้มาพูดถึงเกิดนะนะป่านี้มาพูดถึงตอนตัดสรูป่านนี้แอมมาพูดถึงกล่าวถึงตัดสรูปแล้วท่าเนเลยทำไมพระพุทธเจ้าจึงหนีออกไปบวชเนะีอยท่านเห็นอะไรท่านเห็นคนแก่วันหนึ่งท่านนั่งรถไปพกสรลงส แ, แลนต่างต่างแล้วก็คงจะลืมหมดแล้ท่เนเลเพราะสิทธะอายุยี่สิบเก้าปีแล้วเป็นหนุห่มยัยแล้ว และก็พร้อมที่จะมีลูกอีกแล้วพระเจ้าจุดโททนะก็การดูแลรักษาก็ห่างเหินออกไปแล้วให้เป็นอิสระไม่ได้ประครบประงมเหมือนสมัยน้อยหนุ่มแต่ในท่านก็นั่งรถกับ น, น, น, นายนายชนะไปไปเห็นคนแก่ถือไม้เท้าอย่างที่พราหมณ์อย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นนะไอักหมูสักงินไปเดินไปพระุทธเจ้าก็เลถามมัชชิตาถามว่าอันนั้นคือใครเป็นอะไร พ่อตกรไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเขากั้นไม่คนแก่คนเท่าคนขี้เละขี้ไรหูหนวกตาบอดไม่ให้เห็นมัน้ง น, นายชนะก็บอกเนี่ยคนแก่เอา้าเราเน่จะแก่เป็นไหมสิท ธ, ธ, ธาเขาบอกว่าทุกทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ถ้าไม่ตายง่ายต้องแก่อย่างเนี้แหละพระองค์ก็ต้องแก่เหมือนกันข่าพระองค์ก็ต้องแก่เหมือนกันโอ้ถ้าหาว่าแก่อย่างนี้จะหาความสุขได้ที่ไหนนะ จากนั้นก็จะเด็จกลับมาทบทวนเอ้ยความแกความแก่นี่ยน่ากลัวจริงๆมันไม่ใช่ที่จะน่าสนุกสนานเลยแก่เนี่เยเดี๋ยวจะทำยังไงถ้าเห็นแล้วมันหาความสุขไม่ได้แข้งขาตีนมือตาหูผมงอกอีกต่างหากดูๆแล้วเหมือนคนแต่ไม่ใช่คนโอ้คนแก่นี่น่ากลัวนะพอต่อมาอีกห้าหกเจ็ดวันเนฉเด็ดอีก ไปเห็นคนเจ็บชักดิ่นชักงอที่เขาหามเปมาเอานันคนเป็นอะไรคนไข้คนเจ็บโอ้แล้วมันเราในใจเจ็บเป็นไหมเนี่ยนายชนะเขาบอกว่าเจ็บได้ทุกคนเกิดมาแล้ะมันต้องเจอไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งนะปวดผัว่าปวดท้องเป็นไข้ต้องมีโอ้จะปวดอย่างั้นจะหาความสุขได้อย่างไง ไ, ไ, ไปไปกลับไปก็มาคิดเอ๊จะหาวิธีการยังไงจะไม่เจ็บไม่ป่วยฮะ จากนั้นก็ไปเองไงไปครั้งที่สามไปเห็นคนสมัยก่อนคนหามคนตายน่ยคงจะไม่เอาผ้าคุ ม, มออกไปวางวางใส่เปแล้วขคงจะหามคงจะออหามใต้คานยังไงกับรู้มัดผ้าแล้วก็คงจะหามอันนั้นเป็นอะไรคนตายเอาทำไมตายคนเราเกิดมาต้องตายโดยการทั้งหมดไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าดินจะลายได้อีกสักวันหนึ่งต้องตายเราจะตายไหมตายตายเหมือนกั น, กนกเขาเนี่ย ต้องอาไปเผาไฟทิ้งเดียวตรงไปทิ้งที่ป่าช้าเน่โอ้แล้วจะหาความสุขที่ไหนจากนั้นก็เกิดความสลดใจอีกกาบไมเอีกนี่แหละทาให้ท่านมาค้นคิดกลับไปคราวที่สี่ไปเห็นสมณะสมณะคือนักบวชคือนักบวชคือคอย่างพระเนี่ยนะท่านไปนั่งอยู่โคนต้นไม้คงจะเป็นเทวดาบรรดนมนร์บรดาลมั้งนั่งปงไม่มีศีษะคุมผ้านั่งอยู่ตามลาพัง ทีนี้ทิฏฐะไปเห็นเอออันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ในเวียงในวังมานั่งคิดอย่างเนี้ยอย่างพระองค์เนี้ยมานั่งอยู่โคนต้นไม้คิดนี่เราคงจะมีช่องทางที่จะหาทางออกได้แต่ถ้าเราอยู่ในเวียงในวังไม่รู้ว่ากิจการงานเมืองไม้รวดสนมกรรมํนานันนาลีเป็นูเรื่องอะไรแต่เมีอะไรกรอกเชา่าเกอะเกณฑเงินเกาะหูของเราเห็น ต, ตับกับหูกับตาของเรายุ่งเหยิงอบุนไวย์อยู่ตลอดทั้งวัน เร า, เาคงจะคิดหาทางออกไม่ได้ท่านถ้าเรามานั่งอยู่ตามลำพังนี้คงมีโอกาสจากนั้นศรสถะท่านก็เลยขโมยคิดหาวิธีการออกอะไอจากนั้นท่านก็เลยขโมยหนีกลางคืนนะไอ้ที่พระพุทธเจ้าหนีกลางคืนไปกนายชันนาอีกนายชันนาก็ไปถึงแม่น้ำอโนมาณทนะีนี่แหละอตอนนี้แหละอันนี้ไปบวชไป ท่านเห็นอะไรเช่ท่านจึงหนีไปบวชเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นส ม, มณะอยากจะเรียนแบบส ม, มณะจากนั้นท่านก็ไปอยู่อในแขวงเขตกรุ ง, ง, ง, งราชสักข์นะนั่นะทีนี้กบินและพาดกับราชสักข์ไกลกันเขาบอกว่าทุกวันนี้ถ้าห่างกันประมาณ200รกว่ากิโลนะจากนี้ไปนู่นนะคอนแก่นนั่นแหละแต่ว่ามา้าตอนนั้นก็วิ่ ง, ว, งวิ่งทั้งคืนก็แสดงมันวิ่งเร็วพอสมควรนะม้าขันตะกนะจากนั้นท่านก็ ไปอยู่ตามลำพังเอจากนั้นข้ท่านก่อ น, นบําเพ็ญอยู่หกปีอยู่ในฝั่งแม่น้ําอนมานทีแทบแถบนั้นบาเพ็ญอยู่ตามลําพังพระเจ้าแผ่นดินออกไปอยู่ตามลําพังพวกเราคิดดูก็แล้วกันแต่พวกเรามาอยู่วัดวนันหน้อยๆเดียวขาดอันนึงขาดอันนึงหน่อยกันบนอุ ป, ปบัตแต่พระพให้เจ้าเป็นพระมหาขษัตริย์ไปอยู่ในป่าโดงฟงไปไม่มีน้ําประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาหารไม่มีโรงทาน ไม่มีเงินในติดกระเป๋าอีกต่างหากท่านอยู่ตามลมพังมีอะไรก็กินอย่างนั้นมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นอ่นอยู่แบบนักพรตนักบวชอท่านอยู่แบบเดียวดายแต่ใจของท่านเน่ยหมุนตลอดเลยหาวิธีว่าจะจะทำยังไงก็เหมือนกับนักฟิทยาศาสตร์ไปค้นคว้าศึกษาสิ่งทีง่สิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างนั้นแ่ะออันนี้พุทธเจ้าก็ไปส่แสวงหาทางพ้นทุกข์ จะทำยังไงจึงไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี่จะทํำยังไงอันนี้คือความมุ่งมั่นของศิทธัตถะในใจท่านจึงบําเพ็ญมาถึงหกปีบํำเพ็ญอยู่ด้ว น, นั้นลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเนี่ยวันนี้แหละ เ, เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เมื่อสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ปีให้หลังวันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ที่โคนต้นโผธท่านทํำยังไงในวันเนี้ย ท่านว่าตอนเย็นวันนี้พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระอาทิตย์ยังไม่อัส ด, ดงคือไม่ตกดินเนีคือพระอาทิตย์อยู่ปลายไม้นะ่ะล่ําไรล่าไรไอ้พระองค์ก็ไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพไอ้โพพุทธกยาจากนั้นนายโสติยะไอ้คนค น, คนเป็นคนในกลุ่มนั้นแหละแถวนั้นแหะไปเกี่ยวหญ้าคาไปเกี่ยวหญ้ามาก็เลยหาหญ้าผ่านมา มาเห็นสิทธะนั่งอยู่ตามลำพัง เ, ออเห็นโอ้สิทธะนั่งอยู่โคนต้นโพเนี่ยรากโพมกับโผล่นวลโพลนี่ตะปุ่มตะปำเ อ, อี่ยรากโพเล็กโพน้อยหาที่จะนั่งลําบากนายโสตทียากเรนนํายาคาแปดกำมือที่หาบมาเนี่ยม่อไพ่เ อ, อีมอบให้สิทธะทุกความครบนับถือเลื่อมใสพราะโต้งก็ได้ยาคาแปดกำมือมากรีลงที่โคนต้นโพ จากนั้นพระ อ, องค์ขึ้นไปนั่งไปนั่งยญ้าคาเนะี่ยพอยังใกล้ถําเต็มทนนะล้วนะใกล้ถ้ำใกล้ข้ามแล้วพอเกียรลงไปแล้วพระ อ, องค์ก็ขึ้นไปนั่งบนหญ้าคาแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกฮนะนี่แหละพระพุทธเจ้าคืนที่วันเนี้ยวันตัสรู้ของพุทธเจ้าพอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านก็นั่งขัดสมาธิเหมือนกับพระประธานนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ทำกายให้ตรงจากนั้นพระ อ, องค์ก็ดำรงสติเฉพาะหน้าคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคือตอนตอนหัวค่ำพอใกล้ค่ำหย่อมค่านั่งขัดสมาธิวันนี้เป็นเดือนหกเพนใช่ไหมพระจันทร์มันก็กำลังขึ้นสว่างพระ อ, องค์ก็นั่งขัดสมาธิพอจากนั้นกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นนี่แหละอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้านั่นเราลูกหลานให้ฟังเอาไว้นะเวลานั่งสมาธิให้นั่งอย่างที่พระพุทธเจ้าพานั่งหาที่นั่งนะหาผ้าห่มหาอะไรมาปูให้มันนั่งสบายสักหน่อยอย่าไปนั่งพิงฝาอย่าไปนั่งพิงเสาอย่าไปนั่งเก้าอี้ท่านเรานั่งนั่งจริงจังนะเรานั่งอยู่ตรงๆนั่งอยู่หน้าพระ ของพระของเราเอาผ้ามาปูแล้วก็นัน่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบ ก, ก็ได้จากนั้นก็นั่งถ้าว่าคนผู้สูงาอายุนั่งเก้าอีกก้ก็ได้อนั่งถ้าสบายแต่ไว่ใหญ่สบายเกินไปถ้าสบายเกินไปมันนอนหลับจากนั้นถ้านั่งเสร็จแล้วท่านกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกพอกําหนดเจตใจของพวงไม่คิดถึงอดีต ไม่คิดถึงอนาคตใจของพระ อ, องค์อยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่ที่ปลายจมูกจากนั้นใจของพระ อ, องค์รวมสงบมารวมรวมลงเป็นหนึ่งคือใจไม่คิดถึงอดีตใจไม่คิดอนะไรรวมลงเป็นหนึ่งพอใจรวมลงเป็นหนึ่งเกิดยาณทันเกิดญาณทัตนะเกิดฌานปุเพเพในวาสานุสติยานและลึกชาติผลหลังได้เมื่อปฐมมยามคือยามตอนหัวคำ่ำ ระลึกชาติทวนหลังได้โอ้ชาติที่แล้วเรามาจากไหนมามาเกิดที่นี่อันนี้แล้วว่าท่านรู้ได้อดีตชาติเป็นยังไงเหมือนกับเราระลึกถึงเ ม, มื่อวานเมื่อวานวันก่อนอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนท่านคิดข้ามชาติไปอีกชาติก่อนชาติกก่อนไปอีกเพราะท่านมีเครื่องมือญาณยานระัศน ะ, ะของพระ อ, องค์พระ อ, องค์จึงระลึกชาติทวนหลังได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ ให้ลูกหลานสังเกตว่าพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกท่านยืนยันอย่างนั้นอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบถ้าเมื่อจิตใจสงบแล้วร่างกายเป็นอันหนึ่งใจของเราเป็นอันหนึ่งใจของเราก็คือเหมือนกับคนขับรถร่างกายของเขาของเราเนี่ยเหมือนกับคนเหมือนกับรถเนี่ยมันแยกกันออกได้ คนขับรถเนี่ยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่รถมันก็จอดอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่รู้อะไรมันจอดอยู่แต่คนขับรถเนี่ยเดินไปเดินมารู้นั่นรู้ น, น, นี้รู้เรื่องต่างๆนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านไปนั่งภาวนาในวันนั้นท่านรู้เห็นอย่างนี้ท่านจึงยืนยันจึงนํามาสอนพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษานะอยากศึกษาค้นคว้าในหลักของพุทธศทาสนาให้นั่งภาวนา ไม่มีอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านภาวนานะถ้าภาวนาท่านจะถอนไม่ขึ้นเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนรู้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดแน่นอนเพราะสิ่งที่ให้เกิดนะคือใจใจตรงนี้แหละพาไปเกิดเนะีนนะ่ยพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ก็นั่งภาวนาจิตใจสงบตุตูปะปาตยานการจุดติของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่ามาจากที่นี่มาเกิดเพราะอะไรออกจากที่นี่ไปเกิดเพราะอะไร ท่านก็บอกว่าที่มาเกิดที่นี่เพราะกรรมกรรมคือการกระทำถ้าเราทำกรรมดีมาเกิดที่นี่ก็เป็นคนดีอวยัยวะทุกส่วนหูแข่งขาตีนมื อ, เ, อเกิดมาก็มีความสุขเพราะกรรมในอดีตพามาเกิดกรรมดีพามาเกิ ด, กรร ด, าากดถ้าว่าคนทำกรรมชั่วพามาเกิดสมัยก่อนก็มีแต่ข่าชัตติชีวิตกินเหล้าเมายาสุรามนาลีคุณงามความดีไม่เคยคิดเลย เห็นสํารับสีพามก็ดากาดไปอีกเห็นผู้เท่าผู้แก่ก็ดูถูกเกียรติยำอีกตายล้วกรรมชั่วพามาเกิดพอมาชาตินี้กันเนี่ยเป็นคนโง่เง่าเตาตุนหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตงงงานอะไรเพราะบาปพามาเกิดพระพุทธเจ้าธรรมกรรมคือการกระทําเพราะฉะนั้นอย่าทํากรรมชั่วนะอักขรตังทุกขตังเซโยปัจฉะตปฏิทุกขตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทำไปแล้วมันจะให้ผลติดตามไปในภพหน้าชาติ น, านะพวกเราท่านทั้งหลายนะพระผู้ดีเจ้าท่านสอนอันนี้คือท่านรู้จุดู ป, ปาปาตญาณพอถึงจวนสว่างท่านก็ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพนนี่แหละท่านตัดรู้อะไรท่านบวบาใจตรงนี้มาจากไหนมันมาจากตัววิชาคือความโง่ อวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามะรูปังจนถึงโศกปริเทวทุกขโทมณสุปายาตเกิดมาแล้วทุกโศกร้องให้พิไรรำพันมาจากไหนมาจากตัวอวิชชาคือตัวโง่คือตัวไม่รู้มันเกิดมาจากนั้นตอนนี้พระองค์ก็ใกล้สาวเขาไปหาต้นต่อก็ไปชำระอยู่ที่ใจ ใจของเรามีอะไรมันยังพามาเกิดกัเพราะมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในนี้พระองค์คือยังใช้ความรู้ความฉลาดของโปองค์ตปาปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเข้าไปกันกรองไตรตรองเอ่อกันกรองจนเอาชนะเผากิเลสออกจากใจของพระองค์ด้วยตปาปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปวาจากรรมตัวอจิวไวมตูติสมาธิเนี่ย นี่แหละมรคแปดนี่แหลอไฟแปดดุดเนี่ยเผากิเลสในพระไทยขององค์พะใจพระไทยขององค์เหงื่อแห้งหายไปพระองค์ก็บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วที่จะทําให้เกิดนั่นคือกิเลสในใจเราตัดออกบทแล้วกรจัดออกบทแล้วเนยอย่างหลวงตามหาบัวท่านว่าท่านรู้นะท่านภาวนาเหมือนพระพุทธเจ้าภาวนาท่านรู้แก่ใจเลย ตัวไหนพามาเกิดท่านกระจัดออกเลยท่านวัดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกเนี่ยนี่แหละท่านก็คือทําตามคําสอนของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นพวกเรานะทำคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีที่ไปมีที่มามีเหตุมีผลถ้าพวกเราได้นํามาประพฤติปฏิบัติแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคําสอนจากนั้นพระองค์ได้ตัดจรู้ทำแล้วก็ประกาศทำอะไรที่ประกาศทำคําสอน พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองจากนั้นได้ตัดสรุปพระธรรมคือคำสอนในเมื่อได้พระธรรมคำสอนออกมาแล้วก็ประกาศพ่อการประกาศพระสงฆ์สาวกพระโมกคาราภาษาฤบุตรกัจปะอานอนทุรธาพระเถระสมัยนั้นก็ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ออกมาอย่างพวกเราเนี่ยอย่างหลวงตามหาบัวหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน ก็ได้ทําคําสอนของพุทธเจ้ามาประกาศบอกอีกเมื่อหลวงพ่ออินตายแล้วก็ลูกหลานที่นั่งอยู่ที่นี่ประกาศต่ อ, อไปอีกอันนี้คือพระสงฆ์สงเป็นสงสองอย่างอริยสง์คือสงที่ได้สําเร็จอริยะเป็นพระโสดาพระสกท า, า, าคาณาคาอรหรันตวาอันนี้อริยะสงจากนั้นก็คือสงสมมติสงสมมติก็คือเมื่อได้เราได้บวชในพุทธศาสนาแล้วเลื่อมใสในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว แล้วก็ได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวเ อ, อ่ยทานอย่างนั้นนะศีลอย่างนี้ภาวนาอย่างนี้นะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะนรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะอย่าทําความชั่วนะความชั่วเนะี่ยเดือดร้อนนะลูกหลานนะทำไปแล้วนะี่ยอันนี้ก็คือพระสงฆ์มาประกาศพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละนี่แหละประกาศออกธรรมต่อมากนะันพระพระพุทธเจ้าก็อายุแปดสิบปีนะ ประกาศศาสนาอยู่สี่สิบห้าปีอย่างนั้นอายุแปดสิบปีพระองค์เออพอสมควรแล้วประกาศศาสนาจากนั้นพระองค์ก็เอาเราจะปรินิพานแต่นั้นข้าท่านก็ได้ปองสังขารแอนเห็นว่าพยามารมานด้หมุนท่านท่านก็เออเอาสมควรวนั่นแหละเนี่แหละวันเดือนสามเพนเนี่ยนะวันเดือนสามเพนเออจากนี้ไปอีกสามเดือนนะเราจะตายแล้วเราจะวางมือแล้วเราจะปรินิพานแล้ว นี่แหะแผนดินก็จะท้านวันไหวที่วันเดือนสามเพนวันปงสังขารของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระองค์ก็ป ith, <c oughs> เทศอบรมสั่งสอนผี่น้องประชาชนในถิ่นนั้นจากนั้นก็ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะพระองค์จะไปที่ไหนพระองค์ก็เป็นเรื่องของในพระทัยของพระองค์แต่พระองค์รู้ว่าจะไปประิภิพานที่ไหน <c oughs> จากนั้นก็เดินประกาศแถวนั้นจากนั้นก็เดินไปเมืองกุชินาา เมืองสุดท้ายปลายแดนท่าจะว่าไปแล้วก็ท่ามาอยู่ในถินนี้ก็คงจะพุ่นไปประเท ศ, ไป ป, เทศไปประเทศลาวอย่างลักษณะั้นแหลอทำาไมพระสงฆ์ทางหลายก็ไม่รู้จะว่าก็เดินตามแต่พอมาวันสุดท้ายอย่า ง, อ, อ, ยางอย่างเมื่อวานเนะี่ยท่านขับินไปบิน ท, ปปนทบาทไปฉันอยู่ที่บ้านนายตุนท่กำมาลบุตรเป็น คล้ายๆว่าเป็นคนที่มีอันตะกินเป็นคนรวยคนหนึ่งเขาที่มลเห็นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มากันเลยนี่มลมาฉันที่บ้านของเขาเขาก็เลยจัดอาหารถวายพระพุทธเจ้าก็พร้อมกับพระสงฆ์แต่นี้อาหารที่ได้มานั่นนะบางคนก็ว่าเป็นเห็ดเป็นเห็ดของหมูกินเป็นเห็ดอ่อนนิ่มอคงจะเป็นเห็ดพึ่งก็ไม่รู้แหละเห็ดพึ่งเบื่อเขาไม่รู้ไงเห็ดพึ่งผูกก้อนอย่างนั้นะเอะ แต่ทีนี้ก็บางคนก็บอกว่าเป็นเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูอ่อนหมูหมูน้อยเนี่ยที่ในจุนทะรำมาทีนี้ก็คนก็ถกเถียงกันทุกวันนี่แหละบางคนไม่กินหมูไม่กินเนื้อเขาก็กว่าเป็นเห็ดคนที่ฉันเนื้อฉันหมูฉันปลาเขาก็บอกเอ้ยเป็นเนื้อหมูนั่นแหละนั่นแหละเลยถกเถียงกันไม่รู้จักจบว่นงันนี่แหละพว ก, กองา์ก็ฉันฉันบที่อาหารในบ้านจุนทะกำมานบุตร ก็เลยเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเนื้อเบื่อหมูเบื่ออาหารที่วันนั้นอ่ะเบื่อวันนั้นเป็นอาหารเบื่อเบื่อเมาแต่หลวงตามหาบัวท่านเวลาทันเทศให้พระท่านบอกว่านี่ยละคนทั้งหลายบอกว่าพระพุทธเจ้าเบื่อเอื้อหมูเนยเป็นเห็ุบ้างเป็นหมูอ่อนบ้างเอแต่เล่าว่าพระพุทธเจ้าเบื่อหมูอเบื่อหมูเบื่อพวกเนี่ย ทั้งที่สอนให้แล้วให้เป็นคนดีกลับมาจากฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแทนดิไม่ให้ท่านเบื่อได้ยังไงเบือ่อหมูอันนี้ลงตามหาผัวเอาเอาคําเอาคำหนึ่งมาตีเป็นความหมายพระพุทธเจ้าเบือ่อหมูก็เลยจะไปที่ผ่านฮนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อพระองค์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกจากที่นั่นแต่อาหารประเภทนั้นท่านท่านไม่ให้องค์อื่นฉันเล้ พอฉันเอาไปจุนทะเอาอาหารนี่ไปฝังดินอย่าให้องค์อื่นฉันถ้าองค์อื่นฉันอาหารไม่ย่อยเดี๋ยวจะเป็นพิษเพนภพยเอาไปฝังแต่พูะองค์จะไม่ทำไมไม่ให้องค์อื่นฉันพระองค์รู้แก่พระไทยว่าอาหารนี่ก็คือพระองค์คงจะเคยไปทําให้แก่คนอื่นอะไรเขาพระองค์ก็ต้องใช้กรรมพูดสรุปง่ายๆนะจากนั้นก็นายจุนท้าไปฝังเผาไปฝังฝังพระองค์ก่อนฉันเสร็จแล้วก็เดิน เดินไปเรื่อยเลยที่เอโลกก็กำเริบคล้ายๆถ่ายท้องเป็นเลือดออกมาเลยนะในตามตามพระไตรปิฎกที่ท่านพูดนะเดินไปเรื่อยแต่พระองค์ก็วิศ ก, กังวลเอเราฉันอาหารของกรรมันบุตรแล้วนะ่ะจุนทะแล้วนะ่ะในจุนทะเขาคงจะวิศ ก, กังวลท่านก็บอกว่ า, อ, าอนอ์ให้ไปบอกจุนทะนะเราฉันอาหารบ้านของเขานะ่ะอาหารมื้อสุดท้ายของเรา บุญกุศลกับนางจุชาดาถวายข้าวมัทุปายาตวันแรกที่เราตัดสรู้นั้นกับอาหารวันสุดท้ายที่จุนทะกํมมันบุตรถวายแกเรามีอนิสงส์เท่ากันบอกเอานะเพื่อไม่ให้เขาวิตกกงังวลห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านรอบขอบถึงขนาดนั้นน่ะนายจุนทะได้ยินแล้วก็ดีใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสยังไงไม่เป็นสองถ้าว่าเป็นอันไหนก็ต้องเป็นอันนั้น เพราะชื่อในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดยังไงท่านเชื่ออย่างนั้นเพราะไม่ไม่เป็นอย่างอื่นนายจุนทาก็เชื่อในพระอา น, นุ์มาบอกจากนั้นก็เดินทางไปไปไปไปไ ป, ไปเดินไปเรื่อย ม, ม, มุ่งมั่งมุ่งมั่นคือกุชินาราจากนั้นก็ไปถึงแม่น้ํากุ ก, กันกะกุทันทีเป็นแม่น้ําคงจะไม่ลึกกว้างตื้นเหมือนกันีจติเนก็พระพุทธองค์พระโออสาธ น, น ลาดสังคาติให้เป็นพับสังคาติให้เป็นสีชั้นเราเราเหนื่อยเราจะพักเอา ล, ลงที่นี่พระ้านอนกับปูผ้าสังคาติลงในฝั่งแม่น้ําพระองค์ก็ขึ้นไปบรรทมที่ศีหาสายญาติที่ผ้าสังคาติพตรอะองค์บอกว่าอานนไปนําน้ํามาให้เราได้ดื่มใช่เราหิวกระหายนี่ พ, บพบระพุทธองค์ก็หิวก็หายน้ําเหมือนกันนะ เพราะเหตุไรเพราะอานนท์พระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์รถของเราเนี่หมดน้ำนะให้ไปนําน้ํามาเติมรถหน่อยนะอานนท์นะพระอานนท์อายุแ80ดสิปีเท่าเท่ากับชีวิตเท่ากับพระพุทธเจ้าพระอานนท์อายุ80ดสิปีพระอานนท์ก็อายุแ80ดิปีพระพุทธเจ้าอายุ80สิปีอายุเท่ากันกับพระพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าอานนท์ก็เดินเอาบาตรของพระพุทธเจ้าไปตักน้ํา พอไปถึงแม่น้ำก็กุดทันทีเกวียนห้าร้อยเล่มมันผ่านข้างบนน้ำไหลมาโอ้โหขุนกลักเลยทนี้้จะเอาน้ำขุนขุไปถวายพระพุทธเจ้าได้ยังไงเดินกลับมาด้วยความท้อใจโอ้ตายน้ำไม่มีพระพุทธองค์บอกอานนท์ทำไมไม่เอาน้ำมาโอ้น้ำขุนมากพระเจ้าค่ะเอออาเขุนก็เอามาอานน์เอขุนก็เอามา พอเราหิวกระหายพระอนนท์ก็เดินกลับไปอีกด้วยความท้อใจอย่างมากๆพอเห็นพอเหตุว่าน้ํามันขุนจะทํำยัำยงไงพอไปนั้นก็กวาดหน้าน้ําออกนั้นก็เลยตับน้ําขึ้นมาพอตับขึ้นมาน้ํากับใสพรันกับใสพรันในขณะนั้นที่อยู่ในบาดพระอนนเห็นนี่ก็แปลกใจโอ้โหทําไมน้ําขุ่นๆมาอยู่ในบาดเนี่ไมใสเจีวขึ้นมา โอ้เป็นบุญพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าแท้แน่นอนเนี่ยเป็นพุทธานุภาพจริงๆ จ, จากนั้นกระด็นําน้ําเข้ามาถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยกระตุ้นว่าโอ้ข้าพระองค์ไปอนำน้ำมาน้ำขุนแต่มาอยู่ในบัดที่จะตัาขึ้นมาแล้วน้ําใสพระเจ้าข่าใสฉับใสพรันเลยพระองค์ก็รู้ว่าเนี่ยคืออะไรจากนั้นพระองค์ก็ดื่มน้ําด้วยความกระหาย จากนั้นก็เสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปเมืองกุชินาราอันนี้ก็เทนโบราณอาจารย์ทีหลังท่านบอกว่าพราะพรุทธเจ้าของเราท่านใช้ใช้กรรมคือสมัยก่อนท่านเป็นคนเลี้ยงวัวมัดวัวไว้แล้วเอาวัวไปกินน้ำทั้งที่น้ำใสอยู่ข้างหน้าก็มีอยู่แต่ว่ามันขี้เกียจเดินไปมาอยู่ตรงนี้เอาให้กินขุนๆนี่แหละพอขี้เกียจพาเดินไปมันไก ล, ลนั่นแหละบาปกรรมมนั้นท่าน อันนี้คือโบราณในจารย์ท่านพูดเมื่อที่หลังเนี่ยจากนั้นพระองค์ก็เดินไปเตือนกุสินารากุสินาราก็นั่นเป็นนอนอยู่ที่สันทาคารสวนอุทยานของมัรรกษัตริย์ในวันนี้วันเดือนหกเพนเนี่ย อ, อวันนั้นก็คงจะมารุมมาตุ่มกันพอสมควรพระสงฆ์ตั้งห้าร้อยกว่านะที่หองพ่อร้องพระพุทธเจา้านั่นแหะพระพุทธเจ้ากับจวนสว่างวันเนี้ย วันนี้วันจว น, จวนสว่างวันนี้พระองค์กับปรินิพานแต่ถ้าจะพูดให้ละเอียดทีท่วนก็คงจะมากแต่หลวงพ่อจะย่นย่อรวบลัดให้ว่าที่พระพุทธเจ้าปรินิพานใ น, ว, นวันเดือนหกเพนจวนจะสว่างนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าขยะวยะธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนะซัมปาเดทัตติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปิดคําพูดจะไม่พูดอีก พระองค์บอกว่าขยะวยธรำมาสร้างฆ่ารานสังขารทั้งหลายไปเที่ยงนะพวกท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอ mm hmm. ตรงอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดประโยชน์ตนก็คือเกิดมาแล้วให้รู้จักว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนะ ลูกหลานพี่น้องประชาชนชัฏหายา จ, จมนะไม่ถึงร้อยปีถ้าตายแน่นะไม่มีใครที่จะอยู่พน้นเอ อ, อยู่พ้นไปได้ไม่มีใครที่จะอยู่นานเเห็นไหมคนไม่ตายตายนะแล้วยชน์ตนครับให้ถึงพร้อมใครเข้าทําทกิจวัต ร, รใครเป็นหน้าทําหน้าที่อะไรเอ อ, อย่างหลวงพ่ออินนก็เป็นหน้าที่อยู่ในวัดวาศาสนาก็ดูแลวัดวาศาสนาแนะนําสั่งสอน อาจทำให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่ลุกหลันไม่ได้ยินได้ฟังพยายามหามาพูดให้ได้ยินได้ฟังเพื่อการศึกษานะเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ทําหน้าที่นะเป็นตํารวจทหารกนักสานาทีพิพากษาอายการนักษานาทนะีเป็นนายอำเภอผู้ว่ า, ท ำ, ท, า, ท, ท, าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทําหน้าที่ดีที่สุดจะให้ขาดตกคุกข้องประโยชน์ตนประโยชน์ตนให้ดีให้สมบูรณ์ที่สุดอย่าไปทําความชั่วนะ ประโยชน์คนอื่นให้ช่วยเขาช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงร่าโรงเรียนสาธารณประโยชน์เ อ, อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอย่างนั้นองค์กรดับขันปรินิพานไม่พูดอะไรอีกเลยในวันเดือนหกเพ็นนั้นทําการปรินิพานนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณะสัทธา ญ, ญาติโยมหลวงพ่อได้เลี้ยงลําดับให้ฟังว่า พระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรได้ตัดสู้ที่กรุงกบินลพัทแล้วก็ได้ตัดสู้ที่พุทธคยาได้ตัดสู้อะไรปุเพนวาสานุจติยานตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกจากนั้นพระองค์ก็ได้มาปรินิพานที่เมืองกุศินาราในวันเดียวกันแต่ต่างกลัมต่างวาระคือได้ตัแต่วันแล้วก็คือวันเดือนหกเพนเพราะนั้นขอให้พวก เราลูกหลานทุกคนนะเมื่อได้ฟังพุทธประวัติเนี่ยก็ให้นำไปคิดนำไปพิจารณาจดจำแล้วก็นำบอกกล่าวได้เลยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมาในพุทธประวัติทั้งนั้นเพื่อให้ลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีนะวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งตั้งฝ่ายพระก็เหมือนกันให้นั่งภาวนาตลอดทั้งคืนเอาเนชชชิก็ดี พวกเราคณะจทหา ญ, ญาตโยมก็ควรจะเนาสมาทานศีล น, นะวันนี้ถึงหลวงพ่อจะไม่ให้ศีล น, นะวันนี้ไม่ได้ให้ศีลแต่พวกเราก็ควรจะสมาทานศีลควรจะมีศีลห้าวันนี้อย่างน้อยนะแล้วก็ควรจะมีศีลอุโบสถถ้าเป็นไปได้ศีลอุโบสถก็คือเว้นไม่ทานอาหารในเวลาวิการไม่ฟังเสียงร้องรําทําเพลงไม่ทัดทรงดอกไม้ของหอม ไม่นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นแรงสำลีอันนี้คือศินแปดแล้วแต่ศินห้าก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการรมไม่กล่าวมุสาไม่ดื่มสุราอันนี้คือศินสินห้าแล้วเพราะฉะนั้นทั้งวันนี้พวกเราควรถ้าไม่ได้ศินห้าก็ควรจะมีสินถ้าไม่ได้สินอุโบสถก็ควรจะมีสินห้านะถึงยังไงพวกเราก็ได้มาทําบุญสร้างบุญสร้างกุศล ได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อได้พูดกล่าวอะไรให้ฟังก็ให้พวกเรานําไปคิดนําไปพิจารณาวันนี้เป็นวันสาคัญหลวงพ่อได้พูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเพื่อเป็นการศึกษานานทีพวกเราจะได้มาเพราะนั้นพวกคูบาทั้งหลายก็คงจะนั่งนานไปหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะเราทานมาพอแรงนะแล้วเรื่องอาหารนะ่อันนี้ก็เป็นการศึกษาสำหรับสัทาย ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าลตอจ น, นี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร